M.P.3 สแผ่นพิเศษแผ่นหนึ่งและแผ่นสองบันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปดูแลอาการอาพาธขององค์หลวงตามหาบัวยนสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่า ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้ในเอ3องคสหลวงตาท่านเป็นบุพการีของพวกเราเป็นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราสมควรยิ่งที่จะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อองค์ท่านในขณะที่ท่านอาพาธท่านอาพาธเมื่อวันที่ส5ห้าพฤศจิกายน พุทธศักราช2553จนถึงท่านละสังขารวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554เวลาตีส53นาทีแล้วก็ได้พระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงตาวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2554 จึงขอบันทึกความทรงจำนิไว้ในเอ3มสานานเท่านาน